บุกทูสี่สิบสองดูเซตต์ดการเที่ยวเมืองต네ตลาดเปิดทุกวันอาทิตย์ใช่ไหมครับ เอา h ติฮับปุ่นปัสสาวะตุ่นเยลเวะเอาสติฮับปงานแสดงสินค้าเปิดทุกวันจันใช่ไหมครับเอาสติฮับปุ่นปัสสาวะตุ่นเฮนาเวะเอาสตนิทรรศการเปิดทุกวันอังคารใช่ไหมครับ อุ่นเหรอค A ั e a ผมอุ่นเหรอครับผมสวนสัตว์เปิดทุกวันพุธใช่ไหมครับอุ่นเหรอค z o บผมอ i c të mërkurave? พิพิธ right? ภัณฑ์เป ouais <exist> ิดทุกวันเพื่อหัสทรปีใช่ไหมครับออสติฮาอนเท e ว่อ๋าออปเหิเปิดทุกวันศุกร์ใช่ไหมครับอตเลราทุก e พลงเทเว่อ๋าออสติอิฮาป r ร์แก สามารถถ่ายรูปได้ไหมครับมุนตต้องจ่ายค่าผ่านประตูไหมครับดูค่าผ่านประตูราคาเท่าไหร่ครับ สักกุชทนฮุรยาสักกุชทนฮุรยามีส่วนลดสำหรับหมู่คณะไหมครับ Aka u l j e c mimi per g r u p e Aka u l j e c mimi per grupa มีส่วนลดสำหรับเด็กไหมครับ Aka u l j e c mimi per fami. Aka อุมีส่วนลดสหรับนักศึกษาไหมครับ AK s u ่ย์เย่ชมีน AK a u l ย์เย่ชมีมีปร์สตูเดนต์นั่นตึกอะไรครับช ë าร์ ตึกนั้นสร้างมากี่ปีแล้วครับใครเป็นคนสร้างตึกนีน้รนครับผมสนใจในสถาปตัตยกรรม ผมสนใจในศิลปกรรม Une i n t e r e s o h e m për pikturen.